แต่โจรก็ติดตามไม่หยุดยัง้งจนท่านเบื่อหน่ายที่จะหนีต่อไปจึงยอมให้โจรจับได้และทุบท่านจนร่างแหลกเหลวนิพพานในที่สุดเมื่อ น, นิพพานแล้วท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบแล้วกราบทูลลาเรื่องของท่านพระโมคคลลาเป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัดว่า พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีแม้ดับขันทประริณิพานแล้วท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้นบารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งเมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดอดแห่งพระพุทธบารมีหรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูอาจารย์สาคัญทั้งหลายที่ท่านไกลแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง พุทธศาสนาทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญาสัมมาทิฐิก็ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ได้เป็นคนดีตามลําดับไปให้เป็นที่ปรากฏประ จ, จักษ์ในพระญาณอย่างรู้ของพระพุทธองค์เท่ากับเปิดประตูใจออกอย่างกว้างขวางรับพระพุทธบารมีให้พระพุทธบารมีเสริมส่งบารมีของตนจนกว่าตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมี มีคุณธรรมดำรงยั่งยืนอยู่ได้เช่นท่านผู้เป็นพุทธะอริยสาวกทั้งหลายวันนั้นมาถึงผู้ใดเมื่อไรวันนั้นผู้นั้นก็จะไม่ต้องกังวลที่จะใช้ชีวิตนี้ทําทางหนีมือแห่งกรรมและไม่ต้องกังวลสร้างชีวิตในชาติอนาคตให้สมบูรณ์บริบูรณ์สวยสดงดงามต่อไป